ภาวนาเป็นไงทำได้ไหมไห้ก็ดีแล้วบางคนต้องปรับตัวไปทำงานใหม่ๆมีคนหนึ่งภาวนาเก่งนะมาจากอเมริกาจบด็อกเตอร์อายุนิดเดียวนี่มาแล้วตีแรกจะอยู่เฉยๆอยู่นอนหาเงินมาได้เยอะแต่อยู่ไปนานาแล้วใจมันรู้สึกเปล่งไม่มีคุณค่า ไม่ได้ทํางานไปทํางานทีแรกก็รวนไปช่วงหนึ่งมันมีค่อยๆฟื้นขึ้นมาคือถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งเราถึงจุดที่เราทําอยู่ในชีวิตจริงๆได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคือถ้ามันไม่ใช่มิจฉาชีพทําได้นั้นแต่ถ้าเราไปคิดว่าการปฏิบัติคือการทําอะไรที่เหนือธรรมดาเนี่ยทาอยู่ในชีวิตจริงๆไม่ได้โอ้าลาบาก คือเราปฏิบัติเนะี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวรูปแบบหรอกตัวรูปแบบเนี่ยแล้วแต่จริตนิสัยบางคนเหมาะที่จะรู้กายบางคนเหมาะจะรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าเราทําถูกจริตนิสัย<อ>ก็ได้ผลเร็วแต่หลักหรือแก่นสารของการปฏิบัติคือสตินะสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิ ตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาตัวนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยรูปแบบหรือวิธีอะไรก็ต้องมีเหมือนๆกันเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็รูปแบบนี่เป็นเรื่องรองไม่ต้องเถียงกันว่าแนวไหนดีแนวไหนไม่ดีไม่มีรูปแบบการปฏิบัติอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีรูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราก็จะไม่ต้องทะเลาะ ก, กันว่าสายไหนดีสายไหนถูกนั่นเป็นเรื่องเด็กเถียงกันเด็กภาวนาไม่เป็นถึงจะเทียงกันถ้าเรามีสติเป็นเนี่ยมีสติมีสมาสมธิมีสัญญาหร atorium, ือสมาธิที่ถูกต้องรู้กายเราก็รู้ถูกรู้กายเราจิตเราก็ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากความปรุงแต่งได้รู้เวทนาเราก็ตื่นหลุดออกมาจากความปรุงแต่งรู้จิตก็ตื่นหลุดจากความปรุงแต่ง สภาวะมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยไปสู่สิ่งเดียวกันคือปฏิบัติไปจอทั่งอยู่พ้นความปรุงแต่งออกมาได้เนี่นเลยเราจะไปมองแค่ตัวรูปแบบมันการปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ได้ยากเยนอะไรพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆอย่างจะรู้กายหรือรู้จิตรู้ธรรมเลยท่านสอนง่ายๆนะอย่างรู้กายเนี่ยท่านสอน บอกว่าพิกูุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวก่อนนะพิสูุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยในการคู่ในการเหยียดเรียวซ้ายและขวายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายคลองผ้าชีวรสังคาตินะสอนบอกกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรั่วอยู่ในการอย่างนั้นนี่นหลักที่พระพุทธเจ้าสอน พอมาถึงอาจารย์ของแต่ละสำนักก็เริ่มมีรายละเอียดมีรูปแบบอะไรขึ้นมานะเช่นเดินท่านี้นั่งท่านี้นะทําอะไรมีท่ามีจังหวะมีอะไรขึ้นมาอนะันี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆท่านสร้างขึ้นมาเป็นอุบายเป็นอุบายของการปฏิบัติก็แยกออกนะอุบายกับหลักหลักต้องแม่นอุบายนะเป็นเรื่องรองอยาวอุบายขึ้นมาเหนือหลักมันะควรเอาอุบายเหนือหลัก คิดว่าต้องเดินต้องเดินท่านนี้หายใจต้องหายใจเท่านี้จังหวะอย่างนี้ครับใครไม่ทำตามนี้ถือว่าไม่ถูกนั้นพูดเอาเองคิดเอาเองนะคือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยบางทีพวกเราก็ปฏิบัติตามเพื่อนนะหรือปฏิบัติตามข่าวอย่างเพื่อนเราไปเข้าไปหาอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้สอนรู้กายนะเราเชื่อเพื่อนหรือเรานับถือท่านผู้นี้ท่านนี้สอนรู้จิต เราก็จะเอาอย่างเขาเอาอย่างเพื่อนบ้างตามตามกันไปบ้างเห็นสำนักนี้คนเยอะน่าจะดีเอาอย่างเขาหรือว่าอาจารย์องค์นี้เรานับถืออาจารย์ท่านนี้เรานับถือเราจะเอาอย่างอาจารย์การปฏิบัติที่เอาอย่างคนอื่นเนี่ยมันได้ผลลําบากนิดหนึง่งถ้าถูกจริตตรงกับจริตของเราการปฏิบัติก็ทําได้ผลถ้าไม่ถูกกจริตของเราเไปเรียนแบบคนอื่นเขามันก็ไม่ได้ผล ทางอีสานก็มีสุภาษิตมีคําสอนแต่มาออกเสียงเขาไม่เป็นนะเขาบอกว่าคนหลายคนไปกินน้ําบ่อเดียวกันเดินทางเดียวกันนะแต่ไม่เหยียบรอยกันเพราะฉะนั้นเราไปกินน้ําบ่อเดียวกันเราไปสู่ความทุกข์สู่มรรคผลนิพพานเหมือนเหมือนกันแต่เราเดินไม่เหยียบรอยกันเรามันมีทางเฉพาะตัว แต่ทางเฉพาะตัวของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ในหลักอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าสอนหลักในการเจริญสมถะและวิปัสสนาสองตัวนี้นี่ก่อนที่พวกเราจะลงมือปฏิบัตินะอาตมาอยากให้พวกเราลองวิเคราะห์ตัวเองก่อนแทนที่เราจะไปเลือกวิธีปฏิบัติหรือรูปแบบตามอาจารย์ตามเพื่อนตามที่คิดว่าน่าจะดีขั้นแรกเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ออกว่าเรามีจริตนิสยยัยยางไง คมภีอภิธรรมอะไรของเราเนี่ยสอนไม่ชัดมีมากเลยะว่าจริตอย่างนี้เหมาะกับอารมณ์กรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้จริตในการทํำมิปัสสนามีสองจริตเรียกว่าตันหาจริตกับทิฏฐิจริตเนียพวกเราก็ไม่ค่อยได้ยินกันนะถามดูว่ารู้จักจริตไหมว่ารู้จักมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตอะไรเนี้ยพุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริตเรารู้จักแต่จริตพวกนี้จริตพวกนี้เอาไว้ทําสมถะ ราคาจริตก็พิจนาสุภาแล้วดีจิตสงบง่ายมีโทสะจริตแผ่เมตตาแล้วสงบง่ายนี่จริตหกอย่างนะันเอาไว้ทําสมถะเลือกอารมณ์ทําสมถะส่วนจริตที่จะเลือกอารมณ์สําหรับทามิปัสนาว่าเราจะดูกายหรือดูจิตดีมีสองั้นเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริต คนที่มีตัณหาจริตหือพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอย่างคนไหนวันวันไม่อยากคุยกับใครเลยอยากจะเข้าบ้านปิดประตูกำหนดลมหายใจแม้มัน ม, มีความสุขอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครนี่ก็เรียกว่าตัณหาจริตรักในความสุขความสบายหรือว่ามีนิสัยติดใจในอารมณ์ทางโลกโลกหาความสุขความสบายอย่างโลกโลกเช่นเป็นคนโลภมาก อยากโน่อนอยากนี้ทั้งวัด น, นี่ก็พวกตันหาจริตพวกที่ตันหาจริตเนี่ยเหมาะกับการรู้กายนเราไม่ใช่อยู่ๆฉันจะรู้กายแล้วอาจารย์ฉันรู้กายฉันก็จะรู้เราจริตไม่ตรงกับการปฏิบัติในการรู้กายมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลนีทําไมต้องรู้กายเพราะว่าถ้ารู้กายจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ทั้งวันเราดิ้นรนที่จะหาความสุข ทั้งทั้งที่หาไม่ได้หรอกเพราะตัวเราเองแหละเป็นทุกข์อย่างอยากจะไปดูหนังฟังเพลงคิดว่ามีความสุขแต่ถ้าคอยรู้อยู่ที่กายเนี่ยจะเห็นเลยมันทุกข์ทั้งวันไม่มีความสุขตรงไหนเลยอย่างพวกเราลองดูที่กายของเราเ น, นั่งให้สบายมันสบายประเดี๋ยวเดียวมันทุกขนะ์ละความทุกข์มันตามมันทันนะสายท่า น, ก, นกุเรนกาเขาจะเห็นดูกวเวทนาเห็นรู้ที่กาย เ, ยเห็นเวทนาเห็นทุกข์ ความทุกข์บีบคั้นทั้งวันไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งนะนั่งก็ะเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยเหมือนกันความทุกข์มันบีบคั้นเนี่ยถ้าเรารู้กายเรื่อยๆเลยเห็นทุกข์ก็จะรู้เลยสุขมันไม่มีจริงจังอะไรเพราะงันพวกที่ตัณหาจริตในพวกแสวงหาความสุขรักความสุขหลงความสุขให้มารู้กายจริตอีกชนิดหนึ่งเาเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมาก สรรหาจริตนี่พวกโลกมากทิฏฐิจริตนี่พวกคิดมากท่านบอกให้ดูจิตเอาพวกคิดมากมีลักษณะอย่างไงพวกคิดมากก็คือชอบวิจารณชอบตีค่าชอบตีความนะเช่นวิธีปฏิบัติยังไงมันจะดีนะหรือคนนี้เขาทําอย่างเนีน้มันไม่ถูกนะที่ถูกมันควรจะอย่างนี้พวกเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการพวกคิดมากเนี่ยท่านบอกว่าให้ดูจิตใจใตัวเอง ให้ดูจิตพวกคิดมากหรือทิฏิจริตนี่เหมาะกับจิตต า, า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานทําไมล่ะเพราะพ่อคิดมากเนี่ยพ่อยึดถือในความคิดความเห็นมากถ้ามาดูจิตใจของตัวเองเราจะรู้เลยเราเองเปลี่ยนใจทั้งวันจิตใจของเราเองนะหาความแน่นอนไม่ได้สักนิดเดียวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าดูอยู่ที่ใจจะเห็น กระทั่งใจเรายัางเปลี่ยนแปลงเลยอยไปคอยบังคับใจคนอื่นครับคิดว่าต้องอย่างนี้ถึงจะดีต้องอย่างนี้ถึงจะดีเป็นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยท่านสอนว่าให้ดูจิตตัวเององั้นแยกสองทางก่อนนะทีแรกดีเคราะห์ตัวเราให้ได้ของเราเหมาะที่จะรู้กายหรือรู้จิตความจริงไม่มีสติปัฏฐานสีน่อันกายเวทนาเนี่ยคู่หนึ่งจิตกระทาคู่หนึ่งกายเนี่ยเหมาะกับปัญหาจริตะที่สติปัญญายังไม่แตกฉาน เวทนาเนี่ยหมาะกับตัณหาจริตที่สติปัญญาแตกฉานแล้วเพราะเวทนานี่ดูยากกว่าดูดูรูปรูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนี่ไม่ค่อยมีอะไรแต่พอเวทนานี่มีทางแตกแยกย่อยออกไปเยอะเช่นเวทนาบางอย่างมีอามิตรบางอย่างไม่มีอามิตรไม่มิดไม่มีเหยื่อเ ล, ละเวทนามีหลายแบบมีเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนานี่กว้างกวาง พวกทิฏิจริตก็มีสองงานพวกทิฏิจริตที่สติปัญญายัางไม่แก่กล้าให้ดูจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างพวกไหนสติปัญญาแก่กลา้าก็เจริญธรรมานุปัสสนาอันนี้กว้างกว้างที่สุดเลยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าของเราตัดสรู้นะแต่ก่อนเราเคยเรียนบอกพระพุทธเจ้าตัดสรู้เพราะเจริญาน า, น า, นาปนสตินะศึกษาให้ละเอียดลงไปถ้าไม่ได้รู้เพราะเจริญอานาปนสาาาาาติหรอก ท่านทำมานาปนาสติจนได้ฌานออกจากฌานเนี่ยท่านมาเจริญธรรมานุปัสสนาในหมวดของอริยสัจท่านรู้อริยสัจถึงได้บรรลุพระอรหันต์่นธรรมานุปัสสนาเนี้เป็นเหมาะกับพวกที่ปัญญาแก่กล้ามากๆพวกที่ทิจจริตที่ปัญญาแก่กล้านี่พวกเราอนุมานไว้ก่อนว่าปัญญายัางไม่แก่กล้าดังนั้นถ้าเราเป็นตันหาจริตเราก็คอยรู้กายไว้ สบายหน่อยถ้ารู้เวทนาก็ยากขึ้นไปถ้าเป็นทิฏฐิจริตก็มารู้จิตใจไว้ง่ายหน่อยถ้าจะไปเจริญธรรมานุปัสสนาก็ยากหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนะถ้าจะทํานี้ตกลงว่าอา้าวต่อไปนี้เราจะถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าเราเป็นตัณหารจริตเราจ ะ, จะเจริญกา ย, ายานุปัสสนามีเงื่อนไขแล้วตอเนี้ยกายานุปัสสนาเนี่ยท่านสอนบอกว่าหมอ ก, กับพวกสมถะญาณิกต้องทําฌานก่อน เพราะงั้นใครจะเจริญกายานุปัสสนาอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยเจริญกายานุปัสสนาทําสมาธิก่อนทิ้งสมาธิไม่ได้นะวัดป่าทิ้งสมาธิไม่ได้นะรางั้นต้องทําสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งพอจิตมันเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาที่รู้กายและรู้เวทนามันจะสักว่ารู้ได้แต่ถ้าเราไม่ทําจิตของเราให้ตั้งมั่นเพียงพอเวลารู้กายจะไปเพ่งกาย ยกตัวอย่างง่ายๆที่พวกเราเห็นกันพวกเราอย่างบางคนเดินจงกรมจิตของเราจะไหลไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นสักว่ารู้กายหรอกแต่จิตเราไปเพ่งเท้าพะเราจะมารู้บางคนบางท่านขยับมือแทนที่จะรู้มือสักว่ารู้มือก็จะไปเพ่งมือจิตไหลไปอยู่กับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไหลไปอยู่กับท้องจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ มีแต่เรื่องไหลไปไหลไปหาความตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เรียนจิตศิกขาในระดับที่จิตตั้งมั่นถึงอัปปนาหรื อ, อยังน้อยก็อุปจารสมาธิแต่ถ้าพวกที่เป็นทิฏฐิจริตจะดูจิตเนี่ยเหมาะบอกว่าเหมาะ ก, กับวิปัสสนาญาณิดูเข้าไปตรงๆเลยนะไม่ต้องทําฌานก่อนนี่นั้นทางเดินนี้มีหลายสายนะ ค่อยๆวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็เดินให้ถูกกับจริตของเราคนไหนเป็นพวกรักความสุขรักความสบายนะชอบความสวยความงามชอบอะไรนี้เหมาะที่จะรู้กายก่อนอื่นเลยทำความสงบสักก่อนหัดทำความสงบไปนี่เราจะทำความสงบแบบไหนนะ่ะถึงจะเหมาะกับเราต้องวิเคราะห์จริตของราอีกแล้วเราเป็นราคะจริตหรือโทสะจริตหรือโมหจริตละ่นะดูจริตให้ถูก ราคาจริตเนี่ยก็มาดูพิจนากายลงเป็นอสุภะเป็นาธาตุเป็นอะไรเงั้นแต่เป็นตติกูลคิดพิจนาได้สมถะพิจนาไปพิจนาไปจิตสงบรวมเข้ามาถึงฐานได้อุปจาระสมาธิหรือบางคนทำอารมณ์กลางๆมีอยู่ตัวหนึ่งคืออย่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจไปหายใจไปสบายสบาย เคล็ดลับของการทําสมถะคือทําให้สบายนะเพราะความสุขเนี่ยอาพิธรรมสอนความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเงั้นเราต้องจะทําใจให้สบายก่อนถ้าต้องการทําสมาธิใจสบายอย่าอยากให้สงบนะอยากให้สงบจะไปบังคับใจใจจะไม่มีความสุขงั้นทําใจสบายสบายหายใจไปสบายสบายรู้สึกสบายนะแล้วก็สบายทําไปอย่างสบาย เดียวเดียวก็จะสงบพวกเรามั่อกคิดว่าทำสมาธิแล้วมีความสุขความจริงความสุขต่างหากเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิอย่างบางคนมีความสุขในการเล่นไพ่น่มีสมาธิเล่นได้ตลอดเลยมีความสุขในการอ่านหนังสืออ่านได้ทั้งคืนทั้งวันถ้ามีความสุขในการรู้กายรู้ใจตัวเองก็จะรู้ได้อย่างสบายๆจิตใจไม่หนีไปไม่ฟุ้งซ่านไปก็สงบง่าย เนี่ยธรรมะมีเยอะเพราะงั้นเรียนพร้อมๆกันไม่ได้นะเพระจริตไม่เหมือนกันต้องเรียนทีละคนสองคนพอมาพร้อมๆกันเยอะๆนะคนใหม่ๆมาทีเดียวเยอะๆสมาธิก็ต้องพูดแบบกว้างๆเวี่ยงแห่เอานะคอยไปแย่งเอานะคอยหยิบเอาเองพวกที่มาเรียนสมัยแรกๆก็ได้กําไรหน่อยสอนทีละคนสองคนนี่แต่ไม่ว่าเราจะเจริญ กายานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาเครื่องมือที่ใช้ก็เหมือนกันคนะืสติสัมมาสมาธิปัญญาใช้เหมือนกันนะเราเรียนสามตัวนี้ได้เดี๋ยวเราก็ไปทำของเราเองได้ใครอยากรู้กายก็ก็รู้กายด้วยว่ามีสติสมาธิปัญญาใครจะตามรู้จิตก็รู้จิตด้วยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันงแต่สมาธิมันคนละระดับกันรู้กายก็ทาอัปปนามาธิทำอุอปจาระะก่อน ถ้รู้จิตนั้นแค่คณิกาสมาธิก็ดูได้ละเพราะว่ามันง่ายนี่พวกเราชอบไปคิดเอาเองนะว่าดูจิตยากถามว่าคนเขาด่าโกรธนะรู้ว่าโกรธไห ม, มก็รู้ทุกคนอ่ะนะแต่ไม่ชอบดูชอบไปดูคนที่ทําให้โกรธเห็นสาวสวยเกิดราคาขึ้นมารู้ไหมมีราคารู้ทุกคนอนะ่ะแต่ไม่ชอบดูราคะาชอบไปดูสาวแค่นี้เองนะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะ ชอบไปวาภาพมาดูจิตยากดูกายง่ายดูกายกว่าจะเห็นรูปนี่ยากนะอย่างการรู้กายเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่รู้ทุกคนใช่ไหมแ้่ทําทไมไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะ่ะเพราะมันรู้ไม่ถึงรูปรู้แค่ว่าตัวเรานั่งอยู่แต่ถ้าจิตของเราตั้งมั่นมีกําลังพอเนี่ยมีสติรู้ว่ารูปนั่งเห็นการนั่งเนี่มีปัญญารู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรา รูปมันนั่งหรือก้อนธาตุที่มันตั้งอยู่หรือไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันตั้งอยในอิริยาบถเนี่ยเรียกว่ามีสติมีปัญญานะถึงเจะเป็นมีปั ส, สนาได้ถ้ารู้สึกว่าชั้นยืนชั้นเดินชั้นยกมือชั้นยกมือเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นรูปมันไหวอย่ทีนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยกว่าจะเห็นรูปได้ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าร่างกายเนี่ย มือเท้าแขนขาอะไรนี้เราชินเราก็รู้สึกเป็นตัวเราจริงๆเป็นจังเห็นอะไรเห็นมือเห็นอะไรเห็นพระยกมืออะไรเห็นไม่ได้เห็นรูปกว่าจะเห็นรูปได้จริงๆยากนะรูปลองดูซิว่าขวดนี้จริงๆที่ตาเรามองเห็นคืออะไรดูให้ดีนะทำใจให้สบายลองดูสิ่งที่ตาให้เห็นนึงคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้ คำว่าปวดเนี่ยสมมุติบัญญ hmm. hmm. ัตินี่ก็เหมือนกันะตัวรูปจริงๆก็คือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้คำว่ามือเนี่ยสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติเนี่ยปิดบังอารมณ์ปรามัดอย่างรวดเร็วเลยเพราะงั้นกว่าจะเราจะแหวกสมมติบัญญัติมีปัญญาเห็นอารมณ์ปรามัดยากนะยากแต่ว่าอารมณ์ทางใจเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังนะอย่างโกรธมันก็โกรธเลยเห็นไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักกลัวไหมโย รู้จักกลัวบ้างไหมกลัวแฟนทิ้งกลัวเขาไม่รักอะไรเงี้ยกลัวรู้จักอิดช้าไหมนกอิดช้าเป็นไหมเป็นไหคุณไกลอะรู้สึกกลัวเป็นกันใช่ไหมผู้ชายก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะผู้ชายบางทีขี้กลัวกลัวมากกว่าผู้หญิงอยู่หนึ่งอย่างคือกลัวภรรยาความรู้สึกทั้งหลายแหละนะเรารู้จักอยู่แล้วนะไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลย หน้าที่ของผู้ปฏิบัติกแค่ว่าตอนนี้มันรู้สึกยังไงนะไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้นึกได้ว่าเมื่อวานนี้โกรธอะไรย่างเงี้ยไม่ได้กินนะอย่างนั้นช้าไปมันเผลอไปใจลอยไปเกิดรู้ทันเมื่อใจลอยไปอย่างนี้ใช้ได้แล้วไม่ได้มีอะไรลึกลับไม่มีอะไรยากเย็นหรอกงั้นเดี๋ยวภาคสองนะเราจะค่อยปรเรียนกันนะว่าการที่มีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาที่ถูกต้องเป็นยังไง พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็กลับไปไปรู้กายรู้ใจของตัวเองนะใครถนัดจะรู้กายก็ไปรู้กายใครถนัดจะดูจิตก็ไปดูจิตเอาตามจริตนิสัยมาเรียนเอาเครื่องมือไปนะมาเรียนเรื่องสติสมาธิปัญญาคือเครื่องมือที่เราจะใช้ไปเจริญวิปัสนาจริงๆแล้วการทำให้ถูกไม่ยากหรอกง่าย ยากตรงที่คิดมากคิดมากยากนานอ้าวนกส่งกันบ้านไหมนี่หนูจเห็นว่าเห็นว่ายตา่เกาะอะไรแล้าหนะรู้สึกเลยว่าเออคือจิตเนี่ยพอไปรวบมานะพอเรารู้ทันเราก็ปฏิเสธอีกผลักออกอีกนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมีแต่เข้าไปยึดถือ แล้วพอไม่ชอบใจก็พยายามผลักทิ้งตอนที่ดึงมาเนี่ยโลภะหรือราคะนะตอนที่ผลักออกนี่โทสะนะไปรู้ไปเร่เอยแล้วก็รู้รู้ตรงนี้ก่อนรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้เลยเพอะอะไรไม่ดีมาเนี่ยคอยผลักๆพอดีๆมาไปอยู่กับมนันแล้วสบายคือคนในโลกเนี่ยคําว่าการปฏิบัติเนี่ยสติปัญญาของคนมันไม่เท่ากัน คนในโลกที่ไม่เคยฟังธรรมะนี่ยเขาคิดว่าถ้าเข้าไปได้อารมณ์ที่ดีแล้วก็จะมีความสุขนะเช่นได้เห็นรูปสวยมีความสุขได้ยินเสียงเคราะมีความสุขได้คิดเรื่องดีๆแล้วมีความสุขจะรู้จักความสุขอย่างนี้ส่วนพวกเรานักปฏิบัติเราพบว่าไอ้ความสุขจากการเที่ยวสแสวงหาอารมณ์นี่ยังไร้าสาระเพราะว่าอารมณ์ย่อมดีบ้างเลวบ้างตามวิบากเราก็จะเริ่มบอกว่าเอ๊ะถ้าเรารักษาใจของเราไว้ได้มันจะมีความสุข เช่นบางคนปฏิบัติดูจิตเนี่ยเห็นเลยจิตไหลไปยึดอารมณ์เมื่อไหร่จิตจะทุกข์จิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตจะทุกข์เพราะนั้นพยายามประคองไม่ให้มันไปคิดว่าถ้ารักษาใจไว้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์นี่ก็ฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดในระดับฝังกลางเท่นั้นถ้าเห็นแจ้งในอริยสัจจะรู้ว่าตัวจิตเท่าไรตัวทุกข์จะไหลหรือไม่ไหลก็ทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นอย่างนี้นจิตจะปล่อยวางจิตจุดสิ้นสุดการปฏิบัติทางพุทธศาสนาอยู่ตรงที่เราปล่อยวางจิตได้ กพระกายนี้ของง่ายกายนี้ปล่อยได้ก่อนปล่อยกลางทางก็ปล่อยทิ้งแล้วเมืือให้จิตยึดไว้แค่เดียวนะถึงไปพรหมโลกทิ้งกายแล้วทิ้งความติดในรูปใ น, ในรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพานี่คนทั่วๆไปก็หาความสุขด้วยการเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนะคิดว่าเจออารมณ์ดีแล้วมีความสุขห น, ะนีอารมณ์เลวได้มีความสุข เป็พวกเราผู้ปฏิบัติจะไม่ไปยุ่งกับอารมณ์เราจะคอยมาดูจิตใจรักษาจิตคิดว่าถ้าเรารักษาจิตไปได้เราจะมีความสุขเคยรู้สึกไหมถ้ารักษาจิตไม่ได้จะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันจิตที่รักษาจิตที่คุ้มครองดีแล้วนําความสุขมาให้คือธรรมะมีหลายระดับนะธรรมะระดับปานกลางกลางนะรักษาคุ้มครองจิตไปได้เรามีความสุขแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าลงไปจะเห็ไหมตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข ว่าจิตเป็นขันขันมันจะเป็นตัวสุขไปไม่ได้หรอกพวกเรากําลังหลงผิดพยายามทําจิตให้ดีหวังว่าจะมีความสุขมันสุขได้ชั่วคราววันหนึ่งจะเห็นความจริงเลยถึงจะรักษายัางไงถึงจะคุ้มครองไงความสุขอยู่ชั่วคราวอยู่ไม่ได้จริงหรอกเมื่อไร่เห็นว่าขันห้าตัวกายตัวจิตโดยเฉาะจิตเห็นจิตเป็นทุกข์นะเห็นจิตเป็นทุกข์นี่ปล่อยวางจิตนะงานของศาสนาพุทธจบลงตรงนั้นเลย เพราะงั้นตอนนี้ก็เห็นว่าจิตไปยึดอารมณ์ล้วทุกจิตมีความอยากล้วทุกนะ เ, เป็นขันข้นๆไป เ, าา เ, วเวลาจิตไหลแล้วเราเกิดความรู้สึกตนมีความรู้สึกว่า่นคือมีความรู้สึกว่าในขณะที่จิตไหลไปนั่นคือถูกต้องถูกต้องเราตื่นขึ้นมันเหมือนกลับมาอยู่ในโลกของงตรงตื่นเนี่ยนะมีสองอันนะสังเกตให้ดี น, นะ อันหนึ่งจิตไหลไปเกิดสติระลึกได้ว่าไหลสติระลึกโดยไม่ได้เจตนานะถ้าเจตนาไม่ใช่สตินะถ้าสติระลึกขึ้นได้โดยไม่เจตนาว่าไหลไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตเกิดมหากุศุลจิตฉับพลังอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราจะไม่หยุดแค่นี้พอใจไหลไปเกิดสติรู้ว่าไหลไปรีบดึงไว้รีบดึงไว้รีบประคองไว้ตรงนี้สุดโตมาอีกข้าง ถ้าประคองไว้ก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกตรงนี้ผิดนะเพราะงั้นตรงที่รู้เราไม่รักษาเลยไม่ประคองไม่ทําอะไรต่ อ, อนี่ถูกกอรอออ ร, ออรู้นะ่ะหลงแล้วตรงที่รู้นี่รู้ขึ้นมาเองทําไมรู้ขึ้นมาเองเพราะสติเกิดขึ้นมาเองนะทําไมสติเกิดมาเองเพราะจิตจําสภาวะได้จิตจําได้ว่าหลงเป็นยังไง นะพะจิตจำการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติมันะรู้ว่าหลงปับ๊บตื่นขึ้นมานะนี่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความเคยชินด้วยการที่เรารักจิตของเราหวงแหนจิตของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาจิตของเราไว้ในขณะที่หลงไปเนี่ยสุดโตงไปข้างอากุศลนะในการที่พยายามรักษาไว้เนี่ยสุดโตงมาข้างกุศลนะนี่ความสุดโตสองฝั่ง คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะ<ช>แต่ว่าตรงที่เอาความรู้สึกไปดูเนี่ยอย่าพามันไปดูทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยอารมณ์ปรมาอันใดปรากฏก็รู้นั้นค<ช>ือ<ช>อย่าจงใจถ้าจงใจเและรู้สึกตัวแล้วต่อไปนี้จะดูกายความรู้สึกตัวจะดับไปละกลายเป็นหลงทันทีเลยหลงเกิดขึ้นแทน<ช>ของคุณยังติดอยู่นิดนึง<ช>ยังประคองไหมดูมออกไหม ตอนเนี้ยตอนเนี้เออนะรู้ให้ทันนั่นนะประคองไว้ก็คือสุดโต่งไปข้างควบคุมไว้ข้างบังคับไว้ไดูออกใช่ไหมออดูออกดีละดูออกแล้วปัญหาน้อยนะดูไม่ออกปัญหาหนักอย่างบางคนหลวงพ่อสงสารเห็นว่าโอ้มันหลงมานานบอกรู้ไหมว่าหลงไปแล้วเผลอไม่เผลอเลยค่ะรู้ตัวทั้งวันเลยกันโอ้อย่างงี้เห็นแล้วมือไม้อ่อนนะเอ อ, เอไว้ก่อนคนนี้ เปลี่ยนจ้าคือมีความรู้สึกว่าเวลาทำงานใช้ความคิดเยอะใช้ความคิดตลอดวันก็เลยมีเวลาน้อย ป, ปฏิบัติก็เลยเหมือนการที่ว่าพอเริ่มคิดเริ่มรู้สึกตัวก็เลยพยายามที่จะประคองไว้ เ, เนะไม่ประคองอยากรักษาสภาพไว้นะคือสุดตรงไปข้างดีสุดตรงไปข้างดีเนียไปสุขติสุดขบโตไปข้างชั่วไหลตามกิเลสเนียไปทุคติ แต่ไปสุขติไม่ใช่นิพพาน ส, สุดต่งข้างรักษา ค, ค, ค่อยๆดูนะถ้ามองเห็นว่ายัางประคองไว้ใช้ได้แล้วนะดีละนะเดี๋ยวเราไปเรียนต่อ สมถะทิ้งไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าสอนมาธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเราทิ้งไม่ได้นี่เราจะใช้สมถะระดับใดดูว่าเราจะใช้วิปัสสนาไหนถ้ารู้จะรู้กายนะต้องใช้สมถะเยอะหน่อย